คนที่เป็นคาราะญาติโยมจะได้มาคุยกับพระกุญเจ้าแบบนี้พระหนุ่มๆ น, น, น้อยๆก็อยากจะคุยมากแม้ว่าจะบวชไม่นานแต่ก็มีชีวิตที่อีกยาวไกลทุกครั้งที่ผมได้เจอพระกุญเจ้าร้ายรูปหลายองค์นี่ทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศที่ผมพิการใหม่ๆผมประสบัติเหตุตั้งแต่สมัยปีพศ .2100 ยี่สบสองตอนนั้นอายุยี่สิบสี่ปีเรียนจบใหม่ๆรับราชการได้เพียงสามปีนะก็โชคไม่ดีละประสบบัติเหตุขณะที่กำลังสอนวิชาว่ายน้ำสาธิตการกระโดดน้ำประปนิเนี่ยพลาดท่าทำให้ศีรษะเนี่ ย, ยไปกระแทกถึงพื้นก้นศักด์ก็มีผลทำให้กระดูกต้นคอข้อที่ห้าเนี่ยแล้วทำให้ร่างกายส่วนล่างเนี่ย ขนาต้นขอนไวปถึงปลายเท้าเนี่ยเป็นนามาพาสหมดความรู้สึกไปจนกระทั่งบัดนี้เริ่มต้นปเปลี่ยนชีวิตใหม่เป็นจุดปเปลี่ยนระรยะที่ขึ้นมาจากสาวายน้ําแล้วจากคนที่มีร่างกายเป็นปกติอนาคตยังมีหวัง <c oughs> ก็กลายเป็นสิ้นหวังไ ป, ปเปลี่ยนทันทีเลยนับตั้งแต่นั้นมต้นมาเนี่ยชีวิตเลยมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้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 มันนานแค่วันสงวันแรกๆทอนนั้นเองเพอต่อไปเนี่ยมันจะไวมากใหม่ๆก็นับเรื่องเดือนอ่ออีกต้องสามเดือนต่อมาก็นับช่วงวันพระ <c oughs> ก็เลยดูใกล้สั้นลงทุกทีทุกทีผที่บอกว่าเวลาที่บวชสามเดือนเนี่ยเวลาใช้เวลาไม่นานนะเดี๋ยวเดียวจริงๆแในช่วงสามเดือนเนี่ยจะทํายังไงให้การบวชเนี่ยมีสาระมากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินที่จะ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 อยู่ในถ้ำในขเขาเงี้ยบางทีใหม่ใหม่ก็เย็นแล้วต่อไปไอ้บางทีมันก็น่ากลัวนะบางทีนอนไม่หลับถ้าก็จะมาถามพระกรรมฐานจะถามนะพระที่ทางกรรมฐานถามทําอย่างไรถ้าเจออารมณ์แบบนี้เราจะเอาชนะได้อย่างไรจะทํายังไงที่จะไม่ทุกข์กับความน่วงจะทำใจยังไงที่จะไม่ทุกข์กับความกลัวจะทำใจยังไงที่จะไม่ทุกข์กับความปุ้งซ่านจะทํายังไงถึงจะจําวัดได้หลับสบาย <c oughs> ก็จะมีคําถามเงี้ยตลอด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 เขาแบ่งกันเองนะผมก็ฟังหนูอ๋อนี่พระเขาแบ่งกันเองนะนี่มีพระกรรมฐานนะพระกรรมกรคือชอบทํางานตอนนี้พอถึงเวลาใกล้จะออกพรรษาอ๋อตอนนี้มีผลแล้วตอนใกล้ออกพรรษาเนี่ยประมาณสักสิบห้าวันหรือเจ็ดวันเนี่ยพระกรรมกรชักเดือดร้อนละบวชมาจะออกพรรษาแล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยได้แต่พัฒนาวัดอย่างเดียวได้แต่ความสะอาด ซึ่งไม่บวกก็ก็ทำอย่างนั้นได้นะอยู่บ้านก็ทำอย่างนั้นโอ้แต่เดือดร้อนมากเลยทาไงสวดพระกรรมาฐานรีบเก็บตัวรีบเก็บตัวไม่ค่อยมาวุ่นวายแล้วจะไม่ทำวัดไม่บนทัา บ, บาทไม่ฟังธรรมจะเก็บตัวเพื่อจะปฏิบัติให้เข้มงวดในขั้นสุดท้ายก่อนจะสึกขาลาเพศ่อไปพระที่ไม่ได้ปฏิบัติพระกรรมกรก็มาคุยว่าจะทำอย่างไรดีบอกท่านไม่ต้องทาอะไรหรอก ท่านทำกรรมาฐานสิแม้แต่สองวันเนี่ยมันก็ไม่เสียเวลานะเจ็ดวันห้าวันนี่ไม่เสียเวลานะขอยท่านเริ่มต้นถ้าท่านเริ่มต้นเดินเนี่ยมีโอกาสที่จะถึงได้ถึงไม่ถึงท่านออกจากที่เดินไปแล้วมาถึงก้าจากที่เดินไปแล้วก้าแต่ละก้าเนี่ยมันเป็นการเป็นผลสาเร็จไปสู่จุดหมายปลายทางบอกไม่เป็นไรท่านถ้าลองจิสติเนี่ยใช้ชีวิตแบบจิญสติ ท่านชอบทํางานก็ทําได้ทําแต่ว่าท่านต้องเตือนสติลงไปกับการทํางานถ้าบอกไม่ได้พอาะทำงานด้วยกันแล้วมันฟุง้งอะมันคลุกคลีกันมันฟุง้งอ่ะไม่มีสติอยู่แล้วถ้าอะไรเปลี่ยนวิธีการมาเจริญสติท่านก็เปิดเกียเดินจงกรมเดินจงกรมเดินจงกรมบอกท่านนั่งปฏิบัติไม่ได้นั่งปฏิบัติแล้วมันจะหลับเพราะอยู่บ้านเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ต้องทํางาน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 รับรองท่านไม่หลับหลับเนี่ยตกหน้าฝาโอ้เดยสํารวมระวังมากเลยมันจะมีความกลัวนะกลัวเสติมันเกิดกณะที่ความกลัวถ้าท่านหลับเขาจะตกไปหยุ่นลางแก้ปัญหาง่วงนอนได้ตลอดทั้งพรรษาเนี่ยอาชนะความง่วงได้อย่างเดียวท่านภูมิใจมากโอ้บวชคราวนี้ประสบผลสำเร็จแล้วอาจารย์กําพลตัมมาอาชนะความง่วงได้โอ้ภูมิ อ, อกุมิใจมาก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 ถ้ามันอ้าปางงับแล้วก็ท่านจะต้องเสียหัวไปกับงูเนี่ยก็มีสติเหมือนกันตอนนั้นแต่สู้ความกลัวไม่ได้ละท่านถอยหลังทีละเก้าเก้าแรกพระพุทธเก้าที่สองพระธรรมเก้าที่สามพระสงฆ์ช่วยใจไม่ได้หันหลังกลับเลยสวิญาหลวงพ่อโกยวัดไม่เดี๋ยวหลังวิ่งเนี่ยทางน้ำเนี่ก็จะกระจายหมดเลยไปถึงกุฏิสติเกิดแวบเดียวพอปรุงแต่งปั๊บความกลัวเล่นงาน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 นวางมีดกราบแล้วงูมันก็ไปมันไม่สนใจไม่เคยทํำลายกายเดี๋ยวนี้หายไปแล้วไม่เจอละงูจงอางตัว น, นั้นเพราะเขามีการปรกุติมีเสียงดังเขาอยู่ไม่ได้ละปูจ่จงอางแต่ที่สําคัญคือพระกุญจ้ารูปนั้นเนี่ยเห็นตัวเองเห็นจิตเหนใจตัวเองก็มาคุยว่าอาตมาเนี่ยปกติเวลาทํางานเนี่ยหรือเวลาเรียนเนี่ยจะใช้อารมณ์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 ไปห้ามกดต่างๆห้ามสูตบุรีห้ามต่างๆท่านไม่ชอบใจท่านโกรธลงแบงล่างอะไรไปรอดักที่จะทําร้ายพระรุนนั้นด้วยพอดีโชคดีพระรนนั้นท่านเดินขึ้นกุฏิไปท่านไม่ลงมาข้างล่างท่านว่าถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยอาตมาเนี่ยจะต้องถอดจีวรแล้วก็มีเลื่อมีลาวแล้วก็ศึกทันทีเลยอารมณ์ท่านร้อนมากถ้ารู้เราบอกอ๋อเพราะว่าไอความร้อนลนเนี่ยมันมาจากความคิด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 อย่าอยู่กับความฝันอยู่ความฝันคืออะไรคือเรื่องอดีตอย่าพัคุณเจ้าพระหนุ่มหนุ่มน้อยอย่างเงี้ยเรื่องอดีตไม่ค่อยคิดล่ะคิดแต่เรื่องอนาคตศึกไปแล้วจะทําอย่างไรเริ่มต้นทําตรงนี้ก่อนเนี่ยเลิกพิจารณาคตแล้วเหลืออีกเจ็ดวันแล้วนับถอยหลังยิ่งนับบันรนี่มันยิ่งนานนะมันยิ่งนานเพราะมันไม่ใช่ของจริงถ้าอยู่กับปัจจุบันกับการใช้ชีวิต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 คนเราใน ม, มีความทุกข์เพราะว่าปล่อยจิตประใจัยให้ไปกับอนาคตเสด็จอดีตปรุงแต่งอนาคตซึ่งมันเป็นความฝันทั้งนั้นเลยความจริงคือขณะ น, นี้เนี่ยอันนี้คือความจริงที่สุดเลยการจลสติเป็นการเผชิญหน้ากับความจริงลูกผู้ชายต้องเผชิญหน้ากับความจริงสุภาพบุรุษต้องกล้าเผชิญหน้าความจริงว่าขณะนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเผชิญกับความจริง เราจะเข้าใจตัวเราว่าเราคิดอย่างไรหลายคนหลายรูป ก, ก็บอกว่าเรารู้จักตัวเราแล้วยังไม่รู้จักหรอกเรารู้แต่ความคิดการรู้จักตัวเราต้องรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันถ้ามีสติจะรู้นะว่าเราเป็นคนขี้โกรธเราเป็นคนขี้เกียจเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราเป็นคนขี้กลัวเราเป็นคนที่ท้อแท้ ง, ง, ง่ายๆ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 อย่าง เ, เช่นความสุขเราก็ชอบคนอื่นก็ชอบความทุกข์เราไม่ชอบคนอือก็ไม่ชอบมันจะเลยเกิดการไม่เบียดเบียนกันจะอยู่แบบไม่ขัดแย้งกันเพราะเข้าใจกันสังคมก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะนการจิรสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นการเผชิญหน้ากับความจริงความจริงที่เราเจอมีสองอย่างเนี่ยคือความถูกใจเจอมความถูกใจ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 โทรศัพท์ก็ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องขัดใจทางนั้นอะแต่ที่จริงนะไม่ได้ขัดใจนะมันขัดกิเลสในใจเพราะว่าพระุเจ้าตั้งใจมาบวชเนี่ยมีความตั้งใจดีแล้วใจดีแต่กิเลสน่ยมันไม่ค่อยชอบหรอกิเลสมาเนี่ยไม่ปล่อยให้ใครทําดีได้ง่ายหรอกมันจะขัดกิเลสเพราะฉะนั้นความขัดใจนั้นดีเรารู้จักเถอะนี่ยมันขัดใจมันกาลังขัดกิเลสเราแล้วขัดใจคือขัดกิเลสไอ้ความถูกใจเนี่ยไม่ปลอดภัยนะ ไอ้ความขัดใจเนี่ยดีมากจะได้รู้จักตัวเราอ๋อนี่ความขัดใจเป็นอย่างนี้เองเมื่อเจอความขัดใจเรารู้สึกอย่างไรเจอความถูกใจเรารู้สึกอย่างไรเราสามารถที่จะรู้ทันแล้วก็เอาชนะมันได้ไหมถ้าเราทําตามเจอความถูกใจกใจ็กจหัวเลาะล่ายิ้มแย้มแล้วก็ทําตัวออกนอกธรรมวินยัยขาดสติไปเลยอันนั้นเจอความถูกใจถ้าเจอความขัดใจงุดงิดอึดอัดคัดเคืองโลกนี้ไม่สวยงาม เป็นทุกข์เลยใช่ไหมอันนี้คือทําตามแล้วทําตามอารมณ์แล้วถ้ามีสติรู้ทันว่าอันนี้ถูกใจนะอันนี้ขัดใจนะมันจะมีความอดทนเกิดขึ้นในใจจะรู้จักฝืนจิตฝืนใจตัวเองอดทนบางอย่างต้องรอคอยใช่ไหมบางทีการรอคอยเนี่ยเป็นการฝึกติดเราอย่างดีเลยคนสมัยนี้เนี่ยมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่อดทนกับการรอคอยอะไรๆก็สําเร็จรูปทั้งนั้น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 ในช่วงของการรอคอยได้ปฏิบัติธรรมแม้แต่นอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะจิตมันคิดฟุ้งซ่านก็สายการเจริญสตินี่แหละอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตมันอยู่กับกายไว้อย่ามันฟุ้งไปข้างนอกมันก็หลับสบายเลยความเข้มแข็งความอดทนเกิดจากอุปสรรคเหล่านี้แล้วก็ใช้สติช่วยเลยการเป็นคนที่อดทนเข้มแข็งอดกลัน้นไม่ไปกับอารมณ์ได้ง่า ย, ายอารมณ์จะไปบีบคั้นใจเราไม่ได้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 แล้วก็จะมีความสุขอยู่ยังมีความสุขคืออยู่กับปัจจุบันของเราอย่างนี้แหละ